อันจึงถ้าถ้าตามสูตรนี่นะภาษาริบบท่านิเทศให้เห็นว่าโลกนรกไม่เที่ยงไม่เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารอันนี้เราเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเต็มที่แล้วใช่ใช่ไม่มีสาระจริงจริงนะไม่เดียมากเลยนะไม่มีสาระนี่ถ้าเปรตอะเดรชานอะพวกเดรชานที่กําลังบินว่อนอยู่เนี่ยนะไม่มีสาระเลยนะอันนี้ก็เห็นชัดเลยใช่ไหมเปรตก็เหมือนกันถ้าไปอดอยากหิวห้ยทุกทรมานแบบนั้นเนี่ยนะ โรคเปรตคืออะไรก็คือพวกเป็นโรคกระเพาะตลอดกาลนั่นแหละกลุมนั่นแหละทีนี้ถ้าเป็นมนุษย์อ่ะคือมนุษย์ก็ไม่ได้ยั่งยืนใช่ไหมในที่สุดก็สามารถไหลเวียนไปหาไอสิ่งที่กล่าวแล้วทั้งหมดอันชีวิตของมนุษย์ก็คือชั่วคราวนั่นเอหรือเทวดานั่นโลกของเทวดาก็คือชั่วคราวถ้ากล่าวโดยสภาวะคือขันธาตุอายตนะโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นทั้งพรหมโลกทั้งเทวโลกเนี่ย ไม่มีแก่นสารนะปราศจากแก่นสารไม่เป็นแก่นสารโดยแก่นสารที่เที่ยงหาความเที่ยงเนี่ยนะหาตรงไหนได้บ้างหาแก่นสารที่เป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะภาวะที่เป็นสุกสุขเวทนาเนี่ยมีอยู่บ้างก็ไม่เถียงว่าไม่มีอย่างเช่นนะั้นอย่างที่เรากินอาหารบอกโหอร่อยมากสุกมากเนี่ยถาม ว, าว่าจะเป็นอาหารถ้วยนั้นเนี่ยมาอย่างไง แล้วถามว่าเมื่ออาหารถ้วยนี้ผ่านลิ้นเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยไงแล้วจะต้องอย่างเงี้ยวันละสามมือเอายวันละสามมือวันละสามมือชีวิตเนี่ยจะต้องเนะี่ยหามารูปลิ้นเนี่ยมันก็ลูปไปนิดเดียวลูปไปนิดเดียวรูปไปนิดเดียวเนี่ยไะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็ต้องล้างชามกองโตเนี่ยไงก็ดีเนี่ยที่มีให้กินในล้างชามเนี่ยอนปัญหาพวกไม่มีกินจะล้างชามอีกแลก็เดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเนี่ยไง นันจึงไม่มีความที่ยงไม่มีความสุขที่แท้จริงแล้วก็ถามว่ามีอัตราจริงๆอยู่ตรงนั้นไหมอะไรเป็นตนจริงๆอย่างแท้จริงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีแก่นสารแก่นสารที่เป็นอัตราโดยสภาพโดยความเป็นสภาพที่เที่ยงโดยสภาพที่ยั่งยืนโดยสภาพที่มั่นคงโดยสภาพที่ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาน่นะก็ถามว่าในในทุกๆฐานะเนี่ย ถึงจะให้อยู่ในฐานะอนนั้นตลอดไปเนี่ยอยู่ไหมครัตลอดไปเลยนะเอาไหมคุณคุ ณ, คณบุจูคุณจะอยู่ในสภาพสภาพนี้ตลอดไปอีกห้าล้านปีเ น, นี่ยเอาไหมนะ ก, การเอาไหมไ ม, นะไม่ไหวอยู่สภาพนี้ตลอดไปเนี่ยนะจริงแล้วนะสภาพนี้เลยนะ ด, ยนนะดีกว่าคนอื่นนะดีกว่าคนอื่นเยอะนะดีกว่าแ ต, แต่แต่ถามว่าจะต้องทนแบบนี้ตลอดไปหน่ย ก็คนอื่นเยอะนะเพอเราอยู่ในฐานะที่อย่างนี้เรายังเห็นโทษเลยครับเรายังเห็นมันอาสาละคโตเนี่มันมันอย่างนั้นก็ผ่านมาในชีวิตเราไล่มาดูนะไอ้ช่วงไหนบ้างเราอยากขับไปไม่เห็นมีไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีสักอย่างเลยว่าเออับไปเลยกลายเป็นว่า ีอะไรมันมาสุดยอดของเราผมาอ้ใใจนี่ยากมากงนึงคือสังคตะธรรมเนี่ยสังคตะธรรมเนี่ยถ้าเพ่งโดยความไม่มีสาระเป็นต้นเนี่ยนะจะไปถามหาตรงไหนจะหาไม่เจอนึกไม่ออกครับเนี่ยะที่ที่มันเป็นสาระแก่นสารจริงๆโมันนั่นคือวาเห็นว่ามันโศมันนั่นอะไรเียมันมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในทางธรรมะเนี่ยแบ่งสังขารธรรมเป็นสองพวงนะการการพิจารณาสังขารธรรมเนี่ย เป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นสายทุกขสัตว์เนี่ยต้องเห็นโดยความไม่มีสาระเพื่อที่จะเพื่อที่จะพละหนีเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นคุณของสังขารธรรมที่เป็นสายมัคคสัตว์จะต้องพราถ้าชีวิตที่ที่จะมีความสุขบ้างก็ต้องเป็นความสุขที่ได้จากสายคุณธรรมที่เป็นมัคคสัตนะเป็นความสุขที่เกิดเช่นนะอย่างธรรมดาพื้นฐานเลย ละลึกถึงแล้วมีความสุขก็คือฐานนกุศลเนี่ยนะเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีโทษใช่ไหมอ่าละลึกถึงศีลกุศลเนี่ยนะละลึกถึงศีลกุศลระลึกถึงภาวนากุศลเช่นฟังธรรมศึกษาพระธรรมพิจรารณ า, าพระธรรมหรือเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะเจริญสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติเป็นต้นก็จะเริ่มเห็นขึ้น น, นะโดยที่เป็นอนุสติเนี่ยนะถ้าได้พรหมวิหารถ้าเจริญเมตตา กว้างขวางออกไปก็จะเห็นนะเอเอนั่นก็เป็นความสุขแต่ถ้าความสุขที่เกิดจากการมีปัญญาที่เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่มีสาระก็เป็นความสุขที่ระดับสูงขึ้นมาอันนี้ความสุขอันเนี้ที่จะต้องอบรมจะต้องเจริญเนี่ยนะท่านบอกว่าสมาธิสัมโพชงเนี่ยพวกอะไรนะปีติสามโพชงปัสสัตทิสามโพชงพวกนี้จะต้องอบรมเพราะอันนี้ก็ถือว่าหนึ่งในสเสบียงทางเพื่อการ ออกจากวัตตะเนี่ยนะฉะนั้นถ้าจะได้ความสุขก็ควรจะเป็นความสุขสิ่งเหล่านี้ควรมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะให้สแสวงหาความสุขอันนี้ใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ให้หยุดอยู่นะให้เพิ่มปริมาณแห่งความสุขอันนี้มากขึ้นมากขึ้นพ ร, ระองค์ตรัสแนะนำว่าอย่ากลัวสุขอันนี้เลยเนี่ยนะให้สแสวงหาสุขอันนี้เธอเนี่ยนะนั้นถ้าได้สุขอันนี้แล้วจึงจะออกจากสังคตธรรมได้จริงๆเนี่ยนะนะถ้าไม่มีความสุขอันนี้นะออกจากสังคตธรรมไม่ได้ เมื่อออกจากสังฆตารำไม่ได้ก็เหมือนกับออกจากร่างกายไม่ได้จะต้องเฝ้าร่างกายคือมหาพูดอันนี้เนี่ยนะเมื่อเฝ้ามาหาพูดอันนี้จะต้องเลี้ยงมันอ่ะก็ต้องเลี้ยงมาหาพูดอ่ะเนี่ยแหละมีอะไรมั่งไม่ต้องเลี้ยงเอาขอให้มีเถอะอืมผมอ่านเจ อ, อเมื่อจเจริญศีลก็ดีนะหรือว่าปัญญาก็ดีเนะี่ยว่า <c oughs> ในระหว่างที่เจริญเนี่ยจะต้องผ่านตั้งแต่เกิดประโมทเกิดปิติเกิดประสธิเกิดสุขเนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงจะไปในเห็นสภาวะทำตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะญถาพุทธายัานทัศนะเนี่นะเจอบ่อยนะฮะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอันนี้เนี่ยจะต้องพบความสุขอันนี้ก่อนเนี่ยผมอธิฐานนะขอให้ขอ ข, อขอยังไงขอให้ประสบครับ ราโมดสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วว่าปิติสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่บางครั้งผมก็เกิดบ้างนะะผ ม, มยังอิฉาคุณบุญชูน ะ, ะเออเกิดบ่อยๆเน่ผมบางครั้งมันเกิดเ อ, อ้เราเกิดโทสะหรือว่าเกิดปราโมดหรือปิติกันแน่น ะ, ะเพราะาผมผมอ่านเจอตอนที่พันนางยโสธาราที่พ ร, ระพุทธภาดไปเยี่ยม ท, ที่ที่วังอนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะะที่ ที่ได้เจอกันนะฮะ้วพนังเข้ามามากราบที่เท้านะแล้วก็พรลานานะเอะผมเอะผมเกิดปิติได้ยังไงไม่ทราบเพรา ว, ว่าผมสูงสารหรือว่าผมยังไงผมนึกไม่ออกกันนะะผมก็เอ๊ะเหล่า น, นี่ปิติหรือว่าหรือว่ามันมันมันอะไรกันแน่นะมันกลมกลมกลมโทรมานัตอนนี้เพราะว่าท่านบรรยายไว้ว่าโอ้โหนะพระเจ้านะท่านเอาเมื่อ เสด็จออกบรรพชานะรพระ น, นางก็อ้าวตั้งถือศีลตามเนื้อแต่ง ต, ตัวก็คลองผ้าตามอะไรอย่างนี้นะของเป็นผ้านักบวชตามหรือว่าอะไรเนี่ยนะได้ข่าวไงก็นะโอ้โหแล้วก็บรรยายถึงว่าท่านเนี่ยได้คลองกันมาได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสร้างบา ร, รมีร่วมกันมานานอย่างนั้นเนี่ยนะพอ ม, มาถึงชา้นสุดท้ายเนี่ยนะประสบการณ์ทั้งหมด เอ้ผมเกิดปิติได้ไงไม่ทราบครับแล้วผมเกิดพิติไงนะแล้วก็ตอนที่นางพระนางโคตมีเนี่ยนะไปกราบลาอานิพานนี่นะเอ้ผมเกิดได้เหมือนกันนะเอ้เผมก็มานึกด้วยผมปิติอะไรแน่เนี่ยนะพราะฟังฟังท่านบรรยายว่าโอ้โหเนี่ยนะท่านท่านผูกพันยังไงท่านเคารพยังไงในนี้นะเอ้เกิดได้เหมือนกันฮะแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันคราพิติ ก็เป็นผู้ที่จะจะได้ปีติปราโมทย์จากกลุงเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงชาดกเยอะเนละที่จะต้องให้เขามีในแนวนี้แทนนี่นะโดยการตรัสชาดกพราะชาดกร้ายเรื่องที่ที่ฟังจบแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกาศอริยสัจตอนท้ายเนี่ยเขาจะตรัสรู้ทำกันนี่นะก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่พระองค์ใช้อยู่น่นะแปล่เวลาเวลาพระองค์จะตรัสอริยสัจถือว่า แสดงคำตอนที่จะบรรลุนี่นะจะจะเทศนะตอนที่ปัญหาปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยจะจะจะเข้าใจได้เนี่ยจะมองปัญหาออกเนี่ยตอนตอนโทรมนัดกับตอนมีความสุขเต็มที่อันไหนจะมองเห็นกว่ากันก็ตอนมีความสุขเนี่ยปัญญามีมากกว่าที่ที่จะเห็นความจริงนะเพราะขนขณะที่นิวร์ตัวใดตัวหนึ่งกลุ่มรุมเนี่ย ในการที่จะยอมรับอริยสัจหรือจะเห็นอริยสัจตามเป็นจริงเนี่ยยากฉะั้นตอนที่ชีวิตมีความผาสุกอย่างเต็มที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยจะเริ่มมีเห็นความจริงขึ้นฉนั้นโดยโดยเวทนาเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันถ้าไม่ได้สุขเวทนาเนี่ยก็ยากในกามาวจรกุศลเนี่ยท่านถือว่าสุขเวทนาเนี่ยประเนีตถ้าเป็นชานกุศลเนี่ยถืออุเบขาเนี่ยประณีต แนวทางไปปฏิบัติบอกโอ้ยมันเดือดร้อนนั่นมาเจอเอยาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเลยถ้าเจ็บเจ็บป่วยปวยแล้วบรรลุเนี่ยไม่ใช่แน่เลยเออหมายคือว่าเจ็บเจ็ป่วยป่วยแล้วก็โทมนัดเนี่ยนี่ต่อไปอีกหน่อยนะว่าที่ภาษาริบุตรท่านนิเทศว่าโลกทุกโลกเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เป็นแกนสารไม่มีสาระไม่มีแกนสาร ก็เปรียบเทียบอุปมานะว่าบางคนเนี่ยเจริญมิปัสสนาเนี่ยถ้าเห็นภายนอกพิจรารณาภายนอกและน้อมเข้ามาหาภายในมากๆจะเห็นชัดอย่างเช่นบอกว่าต้นอ้อไม่เป็นแก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารฉันใดเนี่ยนะนของเรามาตรงนี้ก็โดยหญ้าวัวหญ้าวัวมันกินอ่นะนีมันไม่มีแก่นสารมันปราศจากแก่นสารฉันใดเนี่ยนะโลกทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วก็เหมือนกันหรือว่าต้นละหุง เป็นต้นที่ไม่มีแก่นสารไม่เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารฉันใดหรือต้นมะเดื่อเนี่ยนะไม่เป็นแกนสารไม่มีแก o, ่นสารปราศจากแก่นสารฉันใดต้นท้องหลางไม่เป็นแกนไม่เป็นแก่นสารไม่มีแก่นสารปราศจากแก่นสารฉันใดอันนี้พวกนี้ก็เห็นชัดนะเปรียบเทียบต้นไม้ทั้งหลายเลแต่แม้กระทั่งไม้ไผ่ใช่ไหมเป็นไม้ที่ไม่มีแกนสารปราศจากแก่นสารข้างในมันกรวงอ่ะ ขัน5ก็ไม่ต่างกันถ้าเปรียบเป็นรูปอาคาญก็ฟองน้ำนีนะฟองน้ำเนี่ยไม่มีแกนสารไม่เป็นแกนสานปราศจากแกนสานหรือต่อมน้ำก็ไม่มีแกนสานไม่เป็นแกนสานปราศจากแกนสารถ้าฤรดูนี่นะสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือพยับแดดเนี่ยนะพยับแดดก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นแกนสารไม่มีแกนสานปราศจากแกนสาน ถ้า ต, ต้นไม้ที่เห็นชัดอีกต้นหนึ่งก็คือต้นกล้วยเนี่ยนะต้นกล้วยก็ไม่เป็นแกนสารไม่มีแกนสารปราศจากแกนสารมายาทั้งหลายเนี่ยนะวงการมายาเรียกว่าวงการมายาเนี่ยก็คือพวกหนังภาพยนตร์ทั้งหลายใช่ไหมเวลาดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยใครคิดว่าจริงบ้างอ๋อว่านี่กลุ่มมายาทั้งนั้นนี่ยนะทั้งพวกมายาทั้งหลายเนี่ยนะพวกแสดงกลทั้งหลายแหละก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแกนสาร ไม่เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารฉันใดโลกทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโลกนรกนรกเดรชานเปรดมนุษย์เทวดาขันธาตุอายตนาโลกนี้โลกอื่นทั้งเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดนั้นก็ไม่มีแก่นสารไม่เป็นแก่นสารปราศจากแก่นสารคือไม่มีแก่นสารที่เที่ยงที่เป็นสุขที่เป็นอัตตาหรือว่าโดยสภาพเอ่อโดยเป็นสภาพเที่ยงเป็นสภาพยั่งยืนเป็นสภาพมั่นคง เป็นสภาพที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้ไม่มีเล ย, ยนะเพราะว่าทั้งหมดแล่านั้นอ่ะไม่เที่ยง